ผู้พยาบาลภิกษุไข่เป็นผู้มีอุปการะมากภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สงมอบจีวรและบาทแก่ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข่